พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่18เมษายน2557ัเมีชื่อเรื่องว่าสอนใจอย่าให้แบกความทุกข์ วันนี้เป็นวันที่สิบแปดเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดไม่กี่วันงานของเราก็จะเข้ามาวันที่ยนะี่สิบเจ็ดน้าลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมแต่หลวงพ่อนะคงจะได้เดินทางลงไปกรุงเทพวันพรุ่งนี้ แต่ถึงยังไงในช่างท่นานก็มาปฏิบัติธรรมไม่เป็นไรหรอกให้ท่านรัตนะอยู่เป็นเพื่อนหมู่อณะหลวงพ่อจะลงไปวันสองสามวันภารกิจธุรกิ จ, ก, จกิจนิมนต์แต่หลวงพ่อเองก็ได้คิดไว้ในใจไว้อยู่เสมอว่าเมื่อขึ้นเลขเจ็ด ขึ้นเลขเจ็ดแล้วจะพยายามออลดการรับนิมนต์ข้างนอกหรืออาจจะ ง, งดออลดแล้วก็งดในที่สุดนะเพราะตามอายุสังขารเราจะไปตลอนตลอนก็คงจะไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเราก็ควรจะอยูออ่กับวัด ว่าศาสนากับคณะศิทธิานุสิตเราจะไปรับจากเหนือจดใต้จากใต้จดเหนือก็คงจะไม่ถูกคงจะไม่เหมาะสำหรับหลวงพ่อเองนะอันนี้เป็นความคิดหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้พูดครูบาอาจารย์องค์อื่นแต่หลวงพ่อเนี่ยคิดไว้อยู่เสมอถ้าเผื่อเข้าเข้าไปอายุ ป่าเข้าไปเลขเจแล้วเนี่ยอาจจะลดแล้วก็งดในที่สุดนะดูเหตุการณ์จะไปตามด้วเหตุผลเหตุผลควรจะไปมากน้อยอยังไงแค่ไหนอันนั้นค่อยว่ากันเป็นเรื่องๆไปจะจะรับทุกงานกิจนิมนต์ก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้พออายุของเราไม่เอื่อแล้วอ่ ขนาดเราสุขภาพยำแย่อยู่แล้วก็ยังไปใ น, ในกิจนิมนต์ก็ดูๆแล้วก็มันก็ใช่ไปด้วยผู้ที่อยากจจนิมนต์ก็เป็นที่พอใจแต่ผู้ที่อยู่รอดรอบด้านแลวรอบข้างสิทยาโนสิท์โอ้ยลงตาเอ้ยจะมาทำไมเนาะอายุถึงขนาดนี้แล้ว น่าจะปล่อยให้ลูกให้หลานเข้ามาเนาะออมาไม่ไหวแล้วนะอันนี้ก็แนวความคิดก็อีกส่วนหนึง่งแต่ส่วนหนึ่งก็เออครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตามาเมตตาออมาเป็นพระคุณอย่างยิ่ง อ, อ, อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งออแต่ส่วนหนึ่งสิทธิารู้สิทธิท์ที่เกี่ยวข้องจําไม่ลืมก็คือครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ฟัน่น อยากโยมนิมนต์ท่านก็ตามใจโยมพอไปแล้วก็ไปสวดมนต์เสร็จแล้วขออนิมนต์ขึ้นชั้นหนึ่งท่านก็ขึ้นไปอยากจะให้มันขึ้ชั้นสองท่านอายุเจ็ดสิบแล้วอ้วนอีกต่างหากพอกถึงชั้นที่สี่ท่านนะหายใจจะไม่อิม่มเลยท่นี่แหละท้งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เจ้าภาพ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นแล้วไม่สบายใจนี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองที่เป็นพระจะต้องเดินไปสู่จุดนั้นหลวงพ่อก็ต้องได้คิดเองเหมือนกันนะคณะสัาาาญญาตยาดโยมลูกหลานทุกองแต่ทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ได้คิดที่จะทะนุถนอมสุขภาพอะไรมากมายหรอกแต่กลัวจะเป็นภาระสาหรับผู้อยู่ใกล้ชิด ของหลวงพ่อถ้าหากว่าเลือดไปอุดหัวใจและวเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอหยุดหัวใจหยุดเต้นหยุดทำงานแล้วก็ตายไปเลยอันนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือ่ปเส้นเลือดแตกในสมองจุดนั้นแหละจุดที่ หน้าคิดอย่างมากๆตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายเป็นภาระให้ลูกศิษย์บริวารจุดนั้นที่เราต้องระมัดระวังระวังสุขภาพพอสมควรแต่รับทาระวังแล้วมันสุดวิสัยอันนั้นเราก็ต้องปล่อยตามกรรมข่าของได้ทำ เ, เคร่งควงอย่าเคยค้อนตีหัวหมากาไก่มา ก, ก่อน ส, สลบสไล กรรมนั้นก็คงจะมาถึงตัวเองในภพนี้ชาตินี้อันนั้นก็บันกอหลีกลีหนีไม่พ้นกรรมเมื่อตัวเองได้กระทำไว้แล้วก็จาเป็นจ้องได้รับกรรมกรรมคือการกระทาในปัจจุบันและในอดีตกรรมกรรมในอดีตให้ผลเพราะนั้นเราได้รู้เรียนรู้เรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เรียนรู้ในพระธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ควรจะทำกรรมในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราได้ศึกษาแล้วกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือเราหนีไม่พ้นแต่ถึงยังไงเราก็ต้องระมัดระวังสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ว่าฉันตามอยากที่จะฉันไปอยากที่จะไปตามที่ตัวเองอยากจะไปะการไปนั้นมีเหตุผลไหมอันตรายไหมการฉันมากเป็นยังไงพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องผู้สูงอายุต้องได้คิด อ, อย่าเป็นผู้สูงอายุหัวรื้อหัวลั้นไม่ยอมฟังคําใครอะนนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะ พวกเราทุกๆคนลูกหลานทุกคนจัตไทายญาติโยมทุกหมู่เราทางนี้ทางนั้นเตือนทางหลวงพ่อด้วยไม่ได้เตือนผู้หนึ่งผู้ใดเป็นแนวความคิดสอนแนวความคิดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดทำามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นภาระของคนอื่นเขาอันนี้ก็แต่ถ้ามันสุดวิสัยมันก็ทํำยังไงได้แต่ถ้ายังไม่สุดวิสัยเราก็ต้องดูแล สุขภาพของเร า, เาไว้ก่อนให้ดีที่สุดในเมื่อบัรดีที่สุดในความรู้สึกเราแล้วก็เราจึงมอบให้กรรมอโอกรรมของข้าข้าคงทํากรรมไม่ดีสุขภาพของข้าจึงไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่ปรูปรับลงไปก็ทิ้งให้กรรมเลยตัวเองไม่ดูแลรักษาไม่ดูแลไม่ทะนุถนอม อย่างที่หลวงปู่ล่าท่านพูดนะตามบุญตามกรรมว่ายน้ำไม่กวักนะคื อ, อกระโดดลงไปใน น, น้ําบบตามลงไปแล้วก็เฉยเอาตามบุญตามกรรมสุดแท้แต่มันจะเป็นนะมันก็จมดิ่งดิ่ ง, ด, ง, ด, งดิ่งตรงไป เ, เพราะตัวเองไม่กวักไม่ขยับไม่ว่ายน้ำนะไม่เอามือว่ายน้ำปล่อยให้มันจมตามบุญตามกรรม มันกระจมน้ำจริงๆท่านว่ากันนะเพราะนั้นเราต้องช่วยตนเองเป็นคำพังเพย้ีวยว่าตามบุญตามกรรมกระโดดน้ำล้วไม่ไม่กวักไม่ไว่ายน้าไม่กระดิกขาไม่กระดิกมือให้มันจมลงไปตามบุญตามกรรมมันกระจมจริงๆนี่ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราเราจะปล่อยตามบุญตามกรรมทีเดียวก็ไม่ได้ รักษาในเมื่อรักษาแล้วมันสุดวิสัยเราก็ยังทุ่นทิ้งให้กรรมเก่ากรรมเก่าก็คือกรรมในอดีตตัวในอดีตชาติตัวเองได้ทำกรรมอันไหนไวแล้วกรรมนั้นจะตามสนองอย่างพระโมกขลานะเมื่อท่านฆ่าพ่อแม่แล้วท่านจะหนีไปที่ไหนพ้นท่านก็ต้องโดนถูกฆ่าอันนี้พวกเราก็เหมือนกันกรรมของใครกรรมของเรา เพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำดีกว่าเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทํำยังไงชีวิตทั้งชีวิตของเราเต็มงานได้เกิดมาได้ศึกษาได้ทำคําสอนแล้วจะทําตนยังไงจะทําใจยังไงจะหาทางพ้นทุกข์อย่างไรตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราพวกเราอย่าชะล่าใจอย่าไปคิดว่าชีวิตพวกเราจะยืนยาวไม่ใช่ว่าคราวนี้ใช่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่คราวหน้าละมันมีอไหมคราวหน้าไม่มีใครที่จะหลีกเลีหนีพ้นไปได้ถึงจะใช้พลังไหนกับพลังเถอะนะพลังพระอาทิตย์พลังพระจันทร์ พลังจิตพลังจักรวันพลังตินน้ำรมไฟพลังไหนก็พลังเถิอทรงไหนก็ทรงเถิดยาไหนก็ยาเถออไม่รู้ยาประเทศไหนเอามาใส่เข้าไปเลยไม่หนีคำที่พระพุทธเจ้าว่าเกิดแก่เจ็บตายให้ฟังเอาไว้ต้องมีที่สุดแต่ถึงจุดนั้นเราก็ตรองรักษา พอรักษาได้หายหน่อยนึงก็โอ้ดีอกดีใจแต่เอาเถอะคราวหน้ายังรอเราอยู่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเตรียมพร้อมาไว้อย่ามาเกิดนั่นดีที่สุดจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดชำระยังไงตามแนวแถวของพุทธพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินพาดำเนินมาอย่างไงศีล ส, สมาธิปัญญาศีล รักษากายวายจาให้เรียบร้อยจะให้มีโทษในเมื่อกายวาจาไม่มีโทษแล้วใจของเราก็ไม่กระเพื่อมไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายเพราะใจของเราอยู่ในกรอบของศีลในเมื่อศีลดีนั่งสมาธิสมาธิก็ไปได้ดีเพราะว่าเรานึกย้อนหลังนึกรอบข้างรอบด้านเราเราไม่ได้ ล่วงละเมิดสินเราไม่ได้ทำผิดสินเมื่อเรามีสินดีสมาธิก็จิตใจก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตนิ่งจิตไม่กระสับกระส่ายจิตเป็นตัวของตัวเองเมื่อจิตผ่านความสงบแล้วนาจิตที่ผ่านความสงบมาพิจารณาอนจังทุกขังอนาตาพิจารณาถึงร่างกายสังขาร พิจารณาถึงความเกิดแก่เจ็บตายเห็นได้ชัดเพราะว่าใจของเราผ่านความสงบแต่จิตใจของเราไม่ได้รับความสงบยังไม่สงบจิตใจปุงฟุ้งมีเรื่องมีเราเกระเสือกระสวนวุ่นวายมาเนี่ยมาพิจารณาพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึง อ, ออเนิจังทุกขังอนาตาพิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลมันพิจารณาไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะอะไร ใจของเรากระสับกระสายใจของเราวุ่นวายอยู่มันวิตกกังวลสารวลวุ่นวายอยู่เพราะนั้นจะต้องทำจิตใจให้สงบซะก่อนนี่แหละสงบระดับไหนมันมีหลายขั้นในความสงบไม่ใช่ว่าเข้าไปชกไปต่อยไปตีเขาอยู่ยจะให้มันสงบมันกนคงไม่สงบไปได้เพราะอะไเพราะว่ามันมาอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องสงบ จากนั้นเมื่อเรามานั่งเฉยๆก็มานั่งคิดปุงฟุ้งเรื่องวิตกกังวลเรื่องผ่านมาแล้วใหม่ๆหยกๆเนะี่ยมันจะสงบไหมคิดอยู่งั้นมันก็คงไม่สงบนะเนเพราะนั้นเรื่องแต่ทำทำจิตใจให้สงบเนี่ยก็มันก็ต้องหาแนวทางหารูปแบบจะต้องพยายามวางใจยังไงพิจารณาเหตุผลยังไงพิจารณาหักล้างหักล้างยังไงในความรู้สึก ที่มันวิตกกังวล น, นั้ น, น, นปล่อยวางอย่างไรไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างไรรู้แจ้งรู้เรื่องนั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเมื่อรู้ด้วยเหตุด้วยผลล่ะเออเจะวิตกกังวลอะไรมากมายนักหนาเกิดมาแล้วก็นเนี่ใครจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายเราอยากจะเป็นเจ้าโลกอย่างนั้นใช่ไหมใจญ่เราอยากจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินใช่ไหมใจ เราอยากจะเป็นใหญ่ในหมู่ในคณะในญาติในโยมทั้งหมดให้เขาเชื่อถือทั้งหมดใช่ไ้ยใจมันเป็นไปได้ไหมใจฮะใจมันจะมันลืมตัวเกินไปหรือใจมันถามดูตนเองแล้วใจของเรามันจะรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้เขารู้เรารู้รอบขอบชิดทุกสิ่งทุกอย่าง ในเมื่อรู้แล้วเธอเนี่ยมันก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้เอาเธอนะใจอย่าลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งภายนอกหน้าใจเฮ้มันอก็ตะล่อมเข้ามาหาสู่เข้ามาสู่ความสงบลในเมื่อจิตใจไม่ปรุงไม่พุง่งเพราะมันรู้เท่ารู้ทันรู้รอบขอบชิดแล้วใจก็เข้าสู่ความสงบ เ, เมื่อความสงบนิ่งพอเนิ่งผ่านจากความสงบไปแล้วพิจารณาคิดเรื่องอะไรคิดถึงความแก่ คนเรานะี่ต้องแก่มาเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อสมัไมเป็นเด็กเป็นยังไงเป็นผ้านหนุ่มเปยังไงเป็นผ้าปูนกลางพระทำการทำงานช่วยครูบาอาจารย์ทำไงามาถึงปูนนี้เราจะทำยังไง เ, เวลาจะไปที่ไหนก็ต้องหาที่กว่าที่เกาะที่คว้าแ ล, แล้วช่ไหมเราจะไปเดินดุงๆดีดดๆไม่ได้นี่หัวขม ำ, ำตกที่สูงลงไปที่ต่ำหัวล่างข้างแตกเป็นยังไง เวลาเราจะเดินไปที่ไหนเราจะก้าวไปที่ไหนเราต้องได้คิดให้ดูเพราะเรามีอายุมากแล้วนี่อันนี้แก่นะใจแต่อีกต่อไปแต่คงคงจะเจ็บนะเอออีกสักวันหนึ่งคงจะเจ็บมาเจ็บตรงไหนก็นจเจ็บตรงนึงละก่อนที่มันจะตายตายแน่ๆนะใจอย่าไปล่มหลวงมัวเมานะใจนะในเมื่อเห็นร่างกายเสร็จแล้วมันก็เข้ามาหาใจในเมื่อพิจารณาใจ ดูรู้รอบขอบชิดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องทิ้งร่างเมื่อทิ้งร่างกายนี้แล้วนะพี่น้องเพื่อนผูงวงศาคณาญาติวัดวาสาสนาสาราศรธายญาติโยมเราจะเอาอยัางไงใจขนาดกายเขาตัวเองก็จะทิ้งและจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นภาระธุระ ยังมาจะมาเป็น เ, เรื่องใหญ่ในใจอยู่เหลือใจจะแบกภาระเหล่านั้นอีกอยู่เหลือใจขนาดร่างกายตัวเองเขาก็จะเอาไปเผาไฟทิ้งอยู่แล้วใจในเมื่อเราเห็นกายของเราแล้วเนี่ยมันภายนอกมันก็วางไปหมดวางกระทั่งกายก็วางกระทั่งแนวความคิดตัวเองอีกอาวางความคิดตัวเอง อย่าไปยึดมั่นถือมั่นหนะ้าใจนะทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังสิ่งไหนเป็นอนิจจังสิ่งนั้นเป็นทุกทุกขังถิ่งไหนเป็นทุกทิ่งนั้นจะเป็นเราจะยึดมาเป็นตัวตนได้อย่างไรใช่ไหมใจในเมื่อเราเห็นภายนอกเห็นภายในเข้ามาอย่างนั้นมันก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ น, ะนี่แหละหละักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ไปไหนนะคณับนักทาญาตโยม ลูกหลานพระเนนทุกองนะมันปล่อยวางที่ใจเพราะนั้นการกระทำสิ่งไหนก็ตามการเป็นอยู่การเป็นอยู่การดำเนินชีวิตของพวกเราให้อยู่ในกรอบอย่าไปหลงอย่าไปลืมตัวว่าข้านะจะไม่แก่เจ็บตายจะเป็นใหญ่จะเป็นผู้มีหน้ามีตาถ้าคิดอย่างนั้นแปนว่าคิดแบบงงๆเอากิเลสนำหน้านะ ถ้าคิดเป็นธรรมแล้วเราต้องมองดูให้รอบรู้รอบขอบชิดอะไนควรจะทำยังไงถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรมเราก็ยึดตามแนวแถวนั้นอ่ะอยู่ที่ไหนเป็นสุกหมดที่ไหอจิตใจยังไม่กระเพื่อมไม่พุ่นไม่วายไม่กระสับกระสใยไม่เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ที่ไหนสงบสุขสุขในใจเพราะเรารู้จักสถานะรู้จักการปล่อยวาง ถ้าว่าเราไม่รู้จักการปล่อยวางน้ำแบกอะไรก็แบกหมดทุกนะทุกจริงจริไม่ใช่ทุกธรรมดาเพอเพอเนะ่่าตัวเองตายก็มีเส้นเลือดแตกในสมองก็มีเพราะมันทุกมากฮะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมีตแต่แบกก็แบกแบกกแบกฮะทุกสิ่งทุกอย่างจะให้เป็นอย่างใจตัวเองทั้งหมดใจตัวเองแท้แท้ก็ยังไม่เป็นใจตัวเอง ยังทะเลทเล่ายจะให้คนอื่นมาเป็นอย่างใจของข้าเนี่ยเป็นได้ยังไงทาไมคิดได้อย่างนั้นวะโง่นัก <c oughs> อ่านรับพรนะตินี้นโมทนาให้พร